วันี้จักแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปคํากราบทูลของท่านโทตกะมานพนั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์จงสัตว์บอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ข้าพระองค์ย่อมหวังพระวาจาของพระองค์บุคคลได้ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วพึงศึกษานิพพานเพื่อตนดังนี้เมื่อโทตกะมานบกราบทูลถามเช่นนั้นพระผุ้มีพร ะ, ระภากเจ้าจึงรับสั่งตอบว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงเป็นผู้มีปัญญา มีสติทำความเพียรในทิฏฐินี้นี่แหละบุคคลได้ฟังธรรมแต่ปากของเรานี้แล้วพึงศึกษานิพานเพื่อตนพระพุทธดํมรลัตที่จัดนี้ต้องการเน้นหลักการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั่นคือการทำพระนิพานเพื่อตน นิพพานนั้นก็คือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ออกไปจากใจได้เป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นธรรมะที่จะใช้ไปในการนี้จึงทรงเริ่มต้นว่าเธอจงทำความเพียรคาว่าความเพียร น, นั้นได้แก่ความหมัน่นหรือทำความเป็นผู้หมัน่น ทำความพยายามทาความทรงจาทาความเป็นผู้กล้ายังชันทะคือความพอใจในการที่จะละบาปละอกุศลให้บังเกิดขึ้นภายในจิตสันดานแห่งตนในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามทำความพอใจในการที่จะเพียรพยายามเพื่อเพิ่มพูนกุศลคือความดีให้บังเกิดขึ้น เพโดยหลักของการปฏิบัติแล้วบุคคลจําเป็นที่จะต้องละบาปละกุศลที่เก็บสะสมไว้ภายในจิตสันดานด้วยที่จะเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามเพิ่มพูนกุศลคือความดีแต่ย่างไม่เกิดให้เกิดขึ้นต้องพยายามเพิ่มพูน รักษาผุ้สนคือความดีที่มีอยู่แล้วแม่เสื่อมถอยไปเรื่องสูตรของความพยายามหรือความเพียร น, นี้ก็จะมีลักษณะเช่นนี้อยู่เสมอไปไม่ว่าจะทรงแสดงในที่ใดก็ตามย่อมเป็นไปตามสูตรของสมาวายะมะแตเรื่องการทําความเพียรพยายามนั้นให้สังเกตว่าเนื่องจากพระัธรรมประกอบด้วยปริยัต คือพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงไว้ในที่นั้นๆอันพุทธศาสนิกชนจําเป็นจะต้องสําเนียกศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าธรรมข้อนี้เรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างไรดังนั้นท่า น, นจึงใช้คําว่าทําความพยายามทรงจําเรื่องราวาต่างๆถ้าจะถามว่าทรงจําเรื่องอะไร ตอบได้ว่าทรงจําเรื่องปริยัติสัสธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายซึ่งเรามาจัดการสังคารนาการรวบรวมกันแบ่งแยกกันออกเป็นประจัยบิดกพมวลประจัยบิดกจึงเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้และทรงจำเอาไว้ประการต่อสู้กับกิเลสหนึ่งตักกิเลสเป็น อำนาจที่เร็นลับครอบงำจิตใจของบุคคลมาข้ามภพข้ามชาติเป็นเวลานั้นที่ทรงใช้คำว่าสั่งสมจิตสันดานของมนุษย์โดยโปกติแล้วคนเราก็เกิดขึ้นมาจากอำนาจของกิเลสดำรงชีวิตอยู่ก็ด้วยแรงผลักดันของกิเลสเหล่านั้นตามปกติแล้วความเคลื่อนไหวต่างๆของบุคคล มักจะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสจนกลายเป็นความกลัวอารมณ์หรือความกลัวกิเลสพอความโลภบังเกิดขึ้นก็ต้องเพียรพยายามตอบสนองความโลภที่บังเกิดขึ้นพอความโกรธบังเกิดขึ้นก็มักจะลุกอานาจแก่ความโกรธความโกรธผลักดันให้ทําให้พูดให้คิดในทางที่เป็นทุจริตต่างๆคนก็ทำคนก็พูดคนก็คิดไปในทางทุจจริตเหล่านั้น และบางครั้งบางคราวเมื่อความโกรธมีความรุนแรงบุคคลคุมไว้ไม่ได้กออกมาในลักษณะล้างพราบิีเบียนประทุษร้ายกันซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในโลกทุกยุคทุกสมัยดังนั้นจึงทรงใช้คำว่าความกล้าหารคำว่าวิริยะหรือวีริยะนั้นที่เรามาแปล ก, กันว่าความเพียรโดยรูปศัพท์รูปศัพท์แล้วหมายถึงความกล้าหาญ ซึ่งบุคคลจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นภายในจิตสันดาแนแห่งตนกล้าเผชิญหน้ากับอันบันดาอิเลกทั้งหลายที่มีชื่ออย่างไรนั้นไม่สำคัญแกกระซิบใจแกผลักดันจิตใจให้เราเกิดความโลภต้องพยายามสู้กับความโลภเหล่านั้นซึ่งการสู้ในลักษณะนี้พึ่งสังเกตว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แส ด, แดงในขั้นของนิพพานชั้นยอดเพียงอย่างเดียว แต่แสดงในขั้นของการดำทุกดับทุกในชีวิตสามัญธรรมดาของบุคคลทุกคนนั่ดังนั้นแม้ในค า, ารวะสัตธรรมหือธรรมะของผู้ครองเรือนก็ทรงเน้นให้บุคคลมีสัจจะคือความจริงใจมีความซื่อส่งมีความสัตย์ซื่อ ก, กันและคนที่จะต้องสัตย์ซื่อเป็นคนแรกก็คือซื่อส่งต่อตัวเองมีอะไรที่แปลกปลอมเข้ามา บังคับจิตใจของบุคคลให้คิดให้ทําให้พูดออกมาทางกายกับทางวาจาบุคคลก็ต้องกล้าหาญที่จะพินิษวิเคราะห์ถึงลักษณะความคิดเหล่านั้นาจะเป็นไปประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนหรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นหรือไม่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ต้องใช้ธรรมะอีกประการหนึ่งที่สงสัยกรรมธรรมะคือการข่ม การหักข้ามอำนาจของกิเลสเหล่า น, นั้นเอาไว้ก็ตกลงก็มีการต่อสู้กันระหว่างธรรมะคือการข่มใจหักข้ามใจกับกิเลสจงเกิดขึ้นครอบงาใจอยู่ก่อนในการต่อสู้กันเช่นนี้จําเป็นจะ ต, ต้องมีความกล้าหายคือความเพียรอย่างอจริงอางจังไม่ทอดถอยแล้ว ในที่สุดกำลังใจก็จะเกิดกล้าแข็งมากยิ่งขึ้นบุคคลก็จะค่อยๆเอาชนะอันดะกิเลสและอารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นในลักษณะไม่ดีให้ค่อยๆผ่อน ค, คลายย่อนลงไปโดยลำดับแต่การจะทำเช่นนี้ได้ก็ต้องปลุกฝังความพอใจความพอใจในตัวความเพียรความพอใจในการละอกุศล ความพอใจในการเจริญกุศลถึงกราบแล้วดังนั้นเวลาแสดงเต็มรูปของหลักสมาวาิยามะคหรือความพยายามในทางที่ชอบพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้คำว่าผู้ปฏิบัติจะต้องปลุกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรโดยสืบเนื่องกันไปสามารถระมัดระวังไม่ให้บาปไม่ให้กุศลมันเกิดขึ้นได้ ทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยวิธีใดมีกำลังเท่าไรก็ให้พยายามรักษาคุณภาพจิตของตนไว้ในจุดนั้นต่อจากนั้นให้ทำอะไรประทรงสอนให้พยายามต่อไปพอถึงเรื่องของความชั่วที่มีอยู่ภายในใจแล้วประทรงสอนโดยลักษณะนั้นให้ปลุกฝังความพอใจในการติจร ะ, ะความชั่ว ในบางครั้งบางคราวก็จะปรากฏ ต, ตัวในรูปมิตรแสดงความรักความพวงใจเป็นดวงสุขภาพพลานามัยของบุคคลไม่ให้ศึกษาไม่ให้ประพฤติปฏิบัติไม่รักษาศีลไม่ฟังธรรมไม่นั่งกรรมฐานโดยกลัวว่าจะเหน็ดเหนื่อยบ้างอาจจะอ้างว่ามีกิจการงานมากไปอ้างว่าจะเป็นการบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพจิตตัวเป็นต้นบาง ซึ่งหมายความว่าในกรณีนี้บรรดากิเลสเหล่านั้นแกมาในรูปของความเป็ น, นิดบุคคลก็ต้องมีจิตใจเข้มแข็งปลุกฝังความพอใจที่จะความพยายามไปเรื่อยมีการกระทําทิดต่อเนื่องกันไปรากความช่วไดมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็รักษาคุณภาพจิตไว้ในจุดนั้นซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะมองเห็นว่า แท้จริงแล้วก็เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาที่บุคคลใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันการงานอะไรก็ตามที่บุคคลทําย่อดโยนทำหละรวมมีการผลัดวัประกันพรุ่งรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเช้าอยู เ, อเย็นแล้วหิวนักกระหายนักฝนตกแดดออกเป็นต้นการงานนั้นๆจะไม่ประสบความสําเร็จเป็นนามมงคลในชีวิตของบุคคล ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเบื้องสูงขึ้นไปยิ่งเรื่องเบื้องสูงขึ้นไปแล้วก็จะกลายเป็นการเก็บการสะสมกิเลสไว้เป็นนันมากพระพุทมีพระพักเจ้าวจึงทรงสอนให้ใช้ความพยายามและพยายามเรื่อยไปคือพยายามละกันเรื่อยไปก็ปถึงการทำความดีก็ทรงสอนโดยตานองเดียวกันให้ปลูกฝังความพอใจในการในความดีและในการกระทำความดี ตลอดถึงในองค์ผู้สั่งสอนเรื่องของความดีได้แก่พระผู้มีพระภาคจักแล้วก็พยายามไปเรื่อยๆก็ทำความเพียรอย่างต่อเ น, นื่องกันไปทําความดีได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ตามในชั้นทานในชั้นศีลในชั้นสมถะชั้นวิปัสสนาก็ตามก็พยายามรักษาคุณภาพจิตของตนเอาไว้แล้วพยายามต่อไปแต่การรักษากุศลคือความดีก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ก็ส่งสอนให้ใช้ความพยายามปลุกฝังความพอใจพยายามรักษาความดีเอาไว้แม้จะเหน็ดเหนื่อยแม้จะ ป, ประสบความทุกข์ทรมารอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ร่างกายและแก่จิตใจของบุคคลแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความดีของตนเอาไว้ได้อย่างที่ท่านสอนไว้ว่าบุคคลควรรักษาความดีของตนไว้เหมือนเกลือรักษาความเต็ม ธรรมดากเกลือนั้นจะน้อยหรือจะมากก็ตามแกก็เข็มก็แก่อย่างนั้นความดีก็มีลักษณะอย่างนั้นบุคคลจะต้องรักษาความดีเอาไว้ไม่เสื่อมถอยไปประการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นออทรงเน้นไปที่การปฏิบัติในลักษณะไม่ถอยหลังที่เรียกว่าอนิวัติปฏิปทาคือการปฏิบัติโดยไม่ถอยหลังมีการก้าวรุดไปข้างหน้าและรุดไปข้างหน้าเรื่อยไป เมื่อไรคือความจบสิน้นทราบใดที่กิเลสยังไม่หมดไปจากจิตสันดานทราบนั้นบุคคลก็ต้องพยายามรับไปอาจจะต้องข้ามพบข้ามชาติหลายๆพหลา ย, ลา ย, ลายชาติแต่นั้นก็คือการสร้างปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานเหมือกบการสะสมทัพกันตีน เ, เล็กทีนน้อยเพื่อความมั่งคั่งเพื่วความสมบูรณ์แห่งทรัพย์สมบัติของบุคคลนั้นในโอกาสต่อไป เราไม่รวยกันในวันนี้หรอกได้เป็นเศรษฐีกันในวันนี้แต่ถ้าเก็บการเก็บรวบรวมกันไว้เรืร่ในที่สุดบุคคลก็เป็นเศรษฐีได้ถึงวิชาความรู้ก็มีลักษณะอย่างนั้นผลจากการประพฤติปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นธารมาประการต่อไปก็คือว่าทรงสอนให้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน คำว่าปัญญาเป็นเครื่องรักษาตบนั้นบาลีใช้คำว่บบานิปโกคือมีปัญญาที่คุ้มครองตนรักษาตนได้ไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ไหนเมื่อไรโดยวิธียังไงก็ตามปัญญาจะทำหน้าที่วิเคราะห์ตรวจสอบมองสิ่งเหล่านั้นกันโดยเหตุกันโดยผลรู้เข้าใจชัดเจนว่าอันนั้นเป็นผลอันนั้นเป็นเหตุ เหตุเหล่านี้เมื่อบุคคลกระทาไปก็จะเกิดผลเช่นนี้แต่แม้แต่มองจากผลก็เข้าใจอย่างชาัดเจนว่าผลนี้เองที่เกิดมาจากเหตุเหล่านี้ดังนั้นก็หมายถึงความรู้ความจริงตามธรรมชาติธรรมดาตามสูตรหรือโครงสร้างใหญ่ของอริยสัจทั้ง4ประการในเกี่กัการรู้ตัวปัญหาการรู้สาเหตุของปัญหา การรู้ความดับของปัญหาและรู้หลักการวิธีการซึ่งเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะสามารถแก้จัดปัดเป่าสาเหตุแห่งปัญหาจุดตัวปัญหาหมดไปใจคนก็เป็นใจที่ไม่มีปัญหาเป็นใจที่ไม่มีเครื่องเสียดแทงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของความทุกข์ก็ตามดังนั้นผลจากใจที่ไม่มีปัญหา พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งเรียกวอนิโรธแปลว่าปราศจากเครื่องเสียดแห่งใจสิ่งที่เสียดแทงใจของบุคคลเรานั้นถ้าจะนับจํานวนก็นับกันไม่ไหวไม่ไหวแต่ถ้าจะนับถึงประเภทมันก็มีจากเพียง2ประเภทเท่านั้นประเภทแรกก็คือเรื่องของกิเลสจจะเป็นความโลภความโกรธความหลงความรุษยาอาฆาตความย่อจิงถือตัว ความเป็นเล็งโลภหยาบได้ทับสมัติของบุคคลอื่นต ล, ลอดถึงความขับแค้นใจความไม่พอใจต้องการที่จะทําลายล้างเบียดเบียนขวายตรงกันข้ามต้องอยู่ร่วมกับบุคคลกษัตริย์ที่ตนไม่ชอบต้องพราดพลากจากคนจากสัตว์ที่ตนชอบนี้ก็เป็นเพลิงทุกข์ที่เสียดแทงใจของบุคคลแล้เรื่องของปัญญานั้น ทรงสอนให้ใช้ในทิฏฐินี้ซึ่งจะพบว่าพระพุทธดลักนี้ใช้แปลกพรตามปกติแล้วคําว่าทิฏฐิเราแปลกันว่าความเห็นถ้าแกมาโดดโดดมักจะหมายถึงความเห็นผิดแต่ถ้าหมายถึงความเห็นชอบนั่นใช้กรรมสมาธิทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบหรือต้องการให้ประจักษ์ชัดลงไปเลยว่าเป็นความเห็นผิดก็ทรงใชก้กรามวิชาทิฏฐิ แต่คำว่าทิฏฐินี้ในพระพุทธธรรนัตนี้ท่งหมายถึงให้บุคคลมีความชอบใจมีความพอใจในอะไรบ้างในความควรหรือความเหมาะความควรของพระธรรมเหมาะควรอย่างไรอย่างที่บอกมาแล้วว่าธรรมะทั้งหมด8400 0ืพระธรรมอาการนั้น แท้จริงแล้วระแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มตลอดกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของปรากฏการณ์ธรรมชาติอนหมายถึงทุกษะกลุ่มที่2เหตุได้เกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติหมายถึงสมุทัยศักดิ์กลุ่มที่3หมายถึงผลที่ทําตนเองให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของธรรมชาติก็มาถึงนิโรธศัก กลุ่มที่3มนั้นหมายถึงกลุ่มเราที่เราเรียกว่ากุศลธรรมหรือภาวเวตปฏิธรรมธรรมที่เราจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติซึ่งก็ได้แก่มรรคสัจจึงทรงใช้คำว่าในความชอบใจคือให้ชอบใจให้มีความยินดีในธรรมะเหล่านี้สรุปแล้วก็คือเรื่องของพระธรรมวินัยที่ทรงใช้คำว่าปาพจน์ได้แก่ธรรมหนึ่งวิถีหนึ่ง ก่อนการเสด็จดับขันทประนิพพานของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้รับสั่งแสดงแก่พระอานุทิระเอาไว้ทำกลางพระสงฆ์พระุทธบริษัทเป็นนั้นมากบนกระแท่นที่เปริญนิพพานของพระุทองค์เองได้จัดว่าดูก่อนอานนุธรรมและพระวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกตือทั้งหลาย พระธรรมและพระวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อเราล่วงลับไปแล้วดังนั้นการที่บุคคลมองเห็นความเหมาะความค ว, มควรความดีงามของพระธรรมวินัยซึ่งในส่วนของพระวินยัยเป็นบทบัญญัติที่ทรงสอนให้งดเว้นไม่ประพฤติกระทํากระทำเขามีโทษแต่ชาวบ้านเราก็เรียกว่าขาดศีลแต่พระเราก็เรียกว่า ต้องอาบาดบ้างเสียจาระคือมีอาจาระปกป้องบ้างในด้านของพระธรรมนั้นเป็นการเสนอแนะถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาถูกแบ่งออกเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นอกุศลฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นกลางๆซึ่งคงจะได้ยินในฝั่งพระสวดกันในที่ทั่วไปไอาจารย์บ้านก็สวดกันอย่างนั้น ใ น, นในการศึกษาปฏิบัติบัดดันบางครั้งก็ส่งใช้คำว่ารพรหมจันทร์ก็มีรพรหมจันทร์นั้นหมายถึงการประพฤติประเสริฐหรือประพฤติอย่างพรหมที่จริงคนเราจะเข้าถึงจุดสูงสุดของรพรหมจันทร์ในในเวลารวดเร็วนั้นจะต้องมีองค์ประกอบในส่วนตัวของเขาเองในแก้วศาสนาปรมีพื้นฐานทางธรรมะที่ได้เก็บสะสมบะรมไว้มาเป็นเวลานาน จะทาให้บุคคลเหล่านั้นเข้าถึงจุดสูงสุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์ได้เนื่องจากชาวบ้านเรามีพื้นเพออัตยาัยที่แตกต่างกันอำนาจ ว, า ส, า, วาสนาวสนาบา ร, รมีที่สั่งสมบารมารไว้ก็ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงทรงสดแสดงเรื่องของพรหมจรรย์ไว้โดยอเนกกระปร ย, ยในที่ทั่วๆไปโดยสรุปแล้วก็มีถึงสิบข้อด้วยกัน ในสิบข้อนั้นหมายความว่าชาวบ้านทั่วไปที่ครองเรือนอยู่จะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่ก็ตามสามารถปฏิบัติพรหมจรรย์นในขั้นนั้นได้เริ่มต้นมาจากอะไรเริ่มต้นาจากการมีศัจจคือความจริงใจรุ่ถึงศัจจปฏิญาณที่รับปากรับคำของบุคคลอื่นไว้ว่าจะประพฤติจะกระทำอย่างนั้นหรือศัจจิฐาน การตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นามอย่างนี้หรือการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่เป็นความสัตย์ซื่อต่อกันเมื่อบุคคลอาศัยความสัตย์เพียงข้อเดียวก็จะได้เกียรติยศชื่อเสียงความดีงามเป็นนั้นมากแม้แต่การรักษาศีลให้ลองสังเกตว่าก็อาศัยสัตย์เพราะไดเพราะเป็นสัจปัิญาที่ไปสมาทานศีลกับภิกษุสงฆ์ มีเพื่อนพุทธศาสนิกชนเป็นส ก, กีพยานอยู่ด้วยเป็นนั้นมากับใดที่สาจาะปฏิยานเหล่านั้นยังมีอยู่สีลนจะกี่ข้อก็ออตามชื่อว่าได้รักษาแล้วได้สมาทานดีแล้วต่อไปก็คือเรื่องอะไรเรื่องก็องสีหน้าประการที่บุคคลรักษากันอยู่นี่แหละแต่หมายความว่าต้องรักษาให้เข้าถึงใจจริงๆ อาการแสดงออกทางกายทางวาจาของบุคคลเป็นไปกับด้วยศีลคือหมายความว่าผสมกล่มคืนกับศีลเป็นศีลทุกอิริยาบถไม่มีอาการทางกายวาจาที่เป็นอปกติคือไม่ปกติแต่ก็จะมีความซส ง, งบมีความเยืกเย็นมีความระมัดระวังสัมรวมไม่เกิดการละเมิดในองค์สิขาบทเดนะครับนี่ก็เป็นพระอาจารย์ การที่สามีมีความทื่อสัต่อพัญญาของตนพัญญามีความจงรักภักดีในสามีของตนทิบาลีใช้คําว่าสถานสันโดษก็ยินดีในพัญญาของตนหรือปฏิวัติจงรักภักดีในสามีของตนนั่นก็เป็นพรหมจรรย์ศรษฐาศาส์ศรษฐาศาสตร์แประการที่บุคคลสจะมาทานในบางครั้งบางคราวในวันธรรมสวุวรรณ ตัวบริษัทหญิงชายที่มีความเชื่อมั่นว่าตนสามารถรักษาศีลแปข้อนี้ได้ก็สมาครฐานไปนั่นก็คือพรหมจรรย์อีกชั้นหนึ่งการเจริญพรหมวิหารมีเมตตาภาวนาเป็นต้นให้เป็นไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายจะมากหรือน้อยก็ตามก็เป็นเรื่องของพรหมจรรย์อีกชั้นหนึ่งและพรหมจรรย์เหล่านี้ก็จะไปเรื่อยไปจนถึงเป็นการประพฤติปฏิบัติ ในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการเมื่ อ, อเมื่ออริยมรรคทั้ง8ประการสมบูรณ์นั้นก็ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงที่สุดของพรหมจรรย์การประการประพฤติปฏิบัติตามหลักพรหมจรรย์นในพระพุทธศาสนาจึงเปิดโอกาสกว้างไม่ใช่ว่าจะต้องบวชจึงประพฤติพรหมจรรย์ได้แต่ว่าทุกคนประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ได้ไม่มีใคร จะน้อยใจว่าพระพุทธเจ้าผูกขาดการประพฤติปรมาจารย์เอาไว้เฉพาะผู้ชายแต่เฉพาะพระที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะนั้นเป็นสาธารณะทั้งหมดนปะปัญหาสําคัญจึงไม่ใช่อยู่ที่ว่าผูกขาดหรือไม่ผูกขาดอยู่ที่บุคคลโอปัญยโกคือน้อมนาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติหรือไม่ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้ เขาชื่อว่าเป็นโปรแจรนในระดับนั้นและก็ต่อไปก็ส่งเน้นไปที่เรื่องของปัญญาประเภทที่นิปกโกนนั่นเองให้เห็นว่าจะต้องรักษาตัวรอดหมายถึงว่าปฏิบัติตนเป็นบัณฑิตมีความรู้ขึ้นไปโดยลำดักอยากรู้เหตุรู้ผลรู้จากตนรู้ประมาณรู้การรู้เวลารู้ บุคคลที่ควรครบไม่ควรครบรู้บริษัทระฐานที่ที่ตนเข้าไปเป็นสมาชิกเป็นต้นจนเกิดปัญญาแจ่มแจ้งในลักษณะที่เรียกวันนิบเบติกปัญญาคือจำแรกจำแรกกิเลสออกไปจากจิตได้และตามมติขาดเสียไม่ได้ก็คือเรื่องสโตที่แปลว่าสติสติที่บุคคลจะต้องเจริญเพื่ออะไร คำถามนั้นถามว่ากระทํานิพพานเพื่อตนเพดัะนั้นการศึกษานิพพานเพื่อตนนั้นเรื่องสติที่จะต้องใช้ก็คือการเราเลึกถึงเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมนั้นเองไม่ว่าจะแสดงโดยโบหุหรนใดก็ตามจะมาสรุปด้วยเรื่องของกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมแม้อารมณ์ของกรรมฐานทั้งหลายสมาถกรรมฐานมีถึงสี่สบ ก็อยู่ในกรอบข้อคายของกายเวทนาจิตธรรมมีปาสนากรรมฐานมีรม72ประการด้วยกันสรุปแล้วก็คือเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมดังนั้นเมื่อนึกถึงการใช้สติระลึกเพื่อขจัดปันเถาลดความรุนแรงของกิเลทเมื่อไรก็ตัดจึงเข้าใจว่านั่นคือการปฏิบัติตามหลักของมาสติปัฏฐานทุกครั้งไป อาจจะภาวนาพุโทโธอาจจะตั้งสติตามระลึกดูล้มไปหรืออาจจะเริญมรณะมรณสติดัะนั้นก็คือหลักการปฏิบัติตามแนวของสมถะกามตานมรณสตินั้นเป็นการตั้งสติตามระลึกดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองแต่ดูในแนวที่จะต้องแตกดับไปไมานจะดูในแนวของความปฏิกรูนของร่างกาย หรือความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอย่างที่ทรงแสดงไว้ในมาสติปัตย์ธปัญญาที่บุคคลก่อให้เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมาเช่นนี้รับสั่งยืนยันว่าบุคคลที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ทรงจำํำจำเนียกเกิดจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือจากพระสาวกของพระองค์หรือแม้แตจากการอ่านแต่ตำราตำราในพระพุทธศาสนา บุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าได้ฟังจากปากของพระพุทธเจ้าเท่านั้นข้อนี้ผูป้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ว่าเวลาพระจะกล่าวจะแส ด, แดงก็จะบอกให้ทราบเสียก่อนว่าต่อไปนี้จะเป็นการแสดงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระจึงทําหน้าที่เป็นผู้แสดงเปิดเผยชี้แจงให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรเท่านั้นหมายจะเป็นเจ้าของธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของธรรมจริ ง, รงทีนี้การศึกษาทางการศึกษานิพพานเพื่อตนจะต้องศึกษาด้วยการปฏิบัติอย่างไรคาว่าการศึกษานั้นหมายถึงระบบพัฒนานจิตใจของบุคคลให้มีความสะอาดมีความส ง, งบมีความปร่งนิ่มมีความสว่างเกิดขึ้นโดยลำดับ ดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่บุคคลจะต้องศึกษาก็คือการปฏิบัตินำหลักของไตรสิกขาพยายามปฏิบัติสํารวมระวังในชั้นศีลจนศีลของตนมีความบริสุทธิ์หมดจดเื้นฐานที่ตั้งแห่งสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาให้บังเกิดขึ้นเติมตามกำลังความสามารถแห่งตน ดังนั้นระวุรำรัดข้อนนี้เมื่อมองในแง่ของเนื้อหาที่แท้จริงก็คือการแสดงตามหลักของมาสติปฐานที่กำลังศึกษากันอยู่นั่นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป